บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเสื็ต่อไปได้ลกล่าวในเรื่องของกันทั้งห้ามาโดยลบับมาถึงส่วนที่เรียกว่าสังขารกันอันประกอบด้วยสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งสามประเภทใหญ่ด้วยกัน คกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตะธรรมคือธรรมที่เป็นกลางกลาไม่ดีไม่ชั่วในตัวของเขาเองอย่งบทสวดที่กล่าวถึงธรรมะโดยสรุปว่ากุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขอกุศลธรรมะธรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์อัพยากตธรรมะ ธรรมที่เป็นกลางๆกง็มีสภาวะเป็นกลางๆซึ่งก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยจิตเจ ต, ตนาของบุคคลที่ใช้ส่วนกลางๆเหล่านั้นไปด้วยอำนาจของกุศ ล, ลหรืออกุศลดังนั้นจึงอาจจะมีผลออกมาในรูปสร้างสรรค์ก็ได้ทํำลายก็ได้ทั้งๆที่ตัวเขาเองมีสภาวะเป็นกลางๆ ในวนก่อนนั้นได้ตอกย้ำในฝ่ายเหตุเกิดของอกุศล่าเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นประการสาคัญปัจจัยภายในประการแรกก็คือสิ่งที่เป็น่าตุหรือเป็นรากงาของอกุศลเหล่านั้นที่มีเชื้ออยู่ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนยากบ้างกลางบ้างละเอียดบ้าง ปัจจัยภายในอีกตัวหนึ่งก็คืออายนิสมนสิการได้แก่การไม่ใช้ปัญญาปินิดพิจารณาโดยเหตุโดยปล่อยให้ลักษณะของอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ะระอบนมใจปัจจัยปด้เป็นภายนอกก็คืออารมณ์ซึ่งผ่านปากต่างๆโอยจมูกดิ้นกายใจเราจะเห็นได้ว่า ปัจจยภายนอกนั้นจะมีความเป็นอย่างที่เขาเป็นเป็นหม้ยความมันก็เป็นกุศลก็คือเป็นกุศลเป็นอกุศลก็คืออกุศลและกลางกลางก็คือกลางกลาง ก, ก็เป็นอย่างที่เ็าเป็นดนจิตใจของบุคคลที่สัมผัสอารมณ์เหล่านั้นถาาก็มีหลักที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิกา โดยการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแล้วบุคคลจะสามารถให้เกิดกุศลขึ้นได้ทั้งสามทางโดยจสิ่งที่เป็นกุศลโดยสภาพก็เพิ่มกุศลขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลโดยสภาพก็แปรเป็นกุศลสิ่งที่เป็นกลา ง, ก, ลางก็แปรมาเป็นกุศลนั่นคือวิธีการแบบพระพุทธศาสนา เป็นวิธีธรรมชาติธรรมดาอาศัยประสบการณ์ที่เราสัมผัสอยู่ในชีวิตประจําวันเป็นบทเรียนเป็นครูในการทําความเข้าใจกับโลกเข้าใจกับชีวิตเข้าใจกับธรรมะตามสภาวะที่เป็นจริงตัวอย่างเหล่านี้เราอาจจะมองที่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายก็ได้ พอตัวประกาศให้ท่านเหล่านั้นออกบวชก็ดีหรือบรรลุมรรคผลก็ดีบางทีดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อว่ า, วาเป็นเรื่องใกล้ๆตัว เ, เรื่องธรรมดาธรรมดาเปลี่ยนแต่ว่ามุมมองของท่านได้ใช้หลักของโยนในโสมนัสสิกานคือปัญญาเป็นตัวพิจารณาเทีย่ยงเคียงมองเหตุมองผลจากสิ่งต่อห น, นึ่งมองสิ่งที่ตนควรจะได้และสิ่ง ที่ตงควรจะเว้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้คราวนี้บุษงเกตตัวที่เป็นกลางกลางอย่างาที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าก่อนที่จ ะ, สะเสด็จออกพระโทน่การมองเห็นเทวทูต ท, ทั้งสี่ทั้งสามแรกคือแก่จะาย ความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นที่จริงแล้วเป็นสภาวธรรมคือธรรมชาติธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นเองคือไม่มีใครจะผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้ไมันมีการเกิดแล้วก็ต้องแก่แต่แก่มากหรือ แ, แก่น้อยนั้นเป็นรายละเอียดแต่ที่แก่นั่นแก่แน่นอนเกิดมานาทีแรกก็ถึงนาทีที่สองมันก็แก่ไปหนึ่งนาทีแล้วความเจ็บก็ต้องเกิดขึ้นแต่วันทนได้หรือทนไม่ได้ ความตายก็คือการแตกทาลายของชีวิตตินสื่อทุกเมองอย่างก็ตายเป็นส่วนๆเช่นผมตายหนังตายเล็บตายเนือ้อตายบางทีก็ตายกันเต็มที่อย่างที่ตายตายกันถ้าพเห่า น, นี้ในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็เป็นสิ่งธรรมดาแต่ก็โพธิสัตว์ท่านใช้ท่านคิดท่านมอง มองไปมงมากลายบุญกรุงที่หาทางออกไม่ได้พอเกิดแก่แล้วก็ตายระวังเกิดกับตายนั้นนอกจากแก่แล้วยังมีการเจ็บป่วยประสบความทุกข์ทรมานในเรียกว่ามปะกิจจะทุกข์อีกเป็นนั้นมากมองไปมองมาสับเปชีวิตไม่ว่าพระองค์เองไป น, นางยโสตราชยสุตโตทนะอยากจะบุญปงษาจะ อยู่ในฐานะอะไรก็ตามมันรัตถุในสภาพแย่งเดียวกันในสุดก็เป็นตัวผลักดันให้พระองค์ทรงมองเห็นโลกมองเห็นชีวิตว่าธรรมดาโลกนี้มีผองเป็นคู่กันมีร้อนก็มีเย็นแก้มีมืดก็มีสว่างแก้มีทุกข์ก็มีสุขแก้มีกลางคืนก็มีกลางวันแก้เพราะเมื่อมีเกิดมันก็น่าจะมีไม่เกิดแก้ได้ด้วย แกปัญห า, าว่าทํายังไงจึงจะไม่เกิดแล้วไม่เกิดก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าพวกนั้นเป็นผลพวงที่มาจากแก่มาจากความเกิดก็นั่นเองในนี้สิ่งที่เป็นกลางๆซึ่งทรงสอนให้พระเบบีศัก์ได้รู้เห็นถึงความจริงโดยตั ว, วการใหญ่มันอยู่ที่ปัญญา ค้าาทุกชนทั้งหลายได้อ่านผู้ประบัติในตอนนี้บุญสังเกตว่าพระองค์ทรงสนพระไทยในขณะที่เดินไปกับตายชนะเพื่อนคนแก่คนเจรคณตาก็รักถามแล้วเข้าไปดูเข้าไปจับต้องเข้าไปคุยด้วยเพื่อจะสามารถสัมผัสไ ด, ดล้ลึกๆเข้าใจไดล้ลึกๆนี่คือหลักของโยนโสมนสิกา แลก็รับช้ข้อมูลที่เราเห็นด้วยตาก็ดีได้ยินด้วยหูก็ดีมาเป็นเครื่องมือในการประกอบพิีพิจารณาชี้เคียงแล้วโย้จากจุดที่ปรากฏคือแก่เจตตายที่ปรากฏไปหาแก่เจะตายที่ยังไม่ปรากฏก ร, รวมถึงพระองค์ด้วยและแม้แต่คนที่จะเกิดมาในโอกาสต่อไปด้วยนั่คือการคิดจากสิ่งที่เป็นกลางๆ บางอย่างเป็นมีลักษณะเป็นคติธรรมคือเตือนน้คิดแต่ตำาราว่าคติธรรมนั้นใครจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้คนเราแต่ละคนก็ได้ยินได้ฟังปกปิธรรมมันต่างๆไป็นนั้นมากพระโพธิสัตว์ของเรานั้นได้ยินข้อความคำว่า น, นิพุตาที่แปลว่าดับสนิทหรือดับเย็นสนิทหรือดับทุกได้จริง คนที่พูดนั้นเป็นพระยาตผู้หญิงคือพระกีสาโคตินีพอเขาเจอเจาชาจิตตถะเขาตื่นตะลึงก็รู้สึกว่าเป็นบุรุทษที่พิเศษจริงๆแล้วก็เป่งเป็นรูปของคำกรอนว่านิปุตานุรสาป า, าตานนปุโตนุนโสปิตาน น, าาานปุตานุณส า, านารยสายังอิริโสติ ใคเป็นมารดาของผู้ชายคนนี้ก็ชื่อว่าดับเย็นสนิทแล้วใครเป็นผู้ชายของใครเป็นพัญญาของผู้ชายคนนี้ก็ชื่อว่าดับเย็นสนิทแล้วใครเป็นบิดาของผู้ชายคนนี้ก็ชื่อว่าดับเย็นสนิทแล้วคำว่าดับเย็นนั้นเป็นภาษาที่จริงก็พูดถึงอะไรก็ได้ที่รถไฟกำลังลุกแล้วก็ดับดับแล้วก็เย็นแล้วก็ก็ดับเย็นแล้ว ว่า แ, แกงร้อนๆเข้ามาแกงก็เย็นเราบอกก็เย็นแล้วบอกก็พูดได้นะเป็นภาษาที่เราพูดถึงอะไรก็ตามซึ่งมันเปลี่ยนจากสถานะที่เราไม่ชอบไปหาสถานะที่เราชอบพระโพธิสัตว์ท่านได้คิดถือว่าเป็นการได้ยินถ้อยคำที่พิเศษมากคำวั น, นิบุตาซึ่งต่อมาคือคำวันนิพานนั่นเองแต่ตอนได้ยินครั้งแรกเป็นการได้ยินเพลงขับ ไม่ใช่ไปดูฟังเทศอะไรพิเศษแต่ใครที่ไหนคือเพลงขับยกจ่องสังเสริญพระองค์ด้วยคาวันนิพพุตตาเพืการแสดงให้เห็นว่าข้อความเหล่านั้นผู้กลาอาจจะเจตนาเป็นอย่างหนึ่งตัวคนที่มีเยนิโสมนสิกานั้นสามารถจะใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ ก็เล่าตนุนสาวมณีรูปหนึ่งกับพระภิกษุรูปหนึ่งไปเจอผู้หญิงร้องเพลงด้วยกันพระไปเจอผู้หญิงร้องเพลงกล่าวถึงความสวยงามของดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาจากโคลนต้มผ่านการหล่อเลี้ยงดูของน้ําแล้วก็โผล่ขึ้นมาพ้นน้ําพอต้องแสงอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็เบ่งบานสยายเกลีออกไป ดามลแอนทั้งหลายก็เข้าไปดมหรือรงความของของกลิ่นแล้วก็กินความหวานของเกสรของน้ำหวานที่มีอยู่ในเกสรดอกไปแต่ดอก บ, บัวที่สงงาม น, นั้นในที่สุดถึงช่วงหนึ่งรีก็ร่วงโรยลงไปเหี่ยวเฉาลงไปก็เสื่อมทำลายไปเป็นการพูดถึงดอกบัวที่จริงก็คือเขาพูด มันก็เป็นสแสดงสภาวัฏฏธรรมของดอกบัวแต่ถ้าท่านได้คิดน้อมนึกเข้ามาหาตัวเองน้อมดอกบัวเข้ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหาดอกบัวมองดอกบัวกับตนเป็นอย่างเดียวกันไปถึงจุดจบมันก็คือการแตกทํำลายได้แก่ไหนในสุท่านยกสิ่งเหล่านั้นเองขึ้นมาพิจารณาตามหลักของพระการรักษ์แล้วก็บรปปรลุผลนี่จะเห็นได้ว่าจริงๆเขาร้องเพลงเขา คนร้องไม่ได้เจตนาจะสอนใครแล้วเธออาจจะไม่เข้าใจอาจจะจำเข้ามาเฉยๆก็ได้กงไม่ได้เข้าใจได้ลึกซึ้งอะไรเพียงแต่จำจำเข้ามามกรอกไปอย่างนั้นเด็กแต่พระผู้ฉลาดท่านสามารถหยิบช่วยเอาสารประโยชน์จากเพลงซึ่งมีการขับร้องกันอยู่ เพราะในสมุนบาลีที่กล่าวถึงพระฟังเพลงฟังได้หรือไม่ได้นะคือท่านบอกว่าถ้าเพลงที่ประกอบด้วยธรรมะเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะหมายความว่าในเพลงขับหล่นั้นมันกล่าวถึงเรื่องของธรรมะกฟังได้ทีนี้คำว่าธรรมะนั้นอาจจะมีความลึกซึ้งออกไป บางทีดูแลสมัครคนทั่วไปก็ไม่น่าจะเป็นธรรมะอะไรแต่นในแง่ของคนที่เข้าใจธรรมะคืออะไรแล้วสรรพสิ่งคือธรรมะเพรา ะ, ะนั้นท่านจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องจากสิ่งที่อยู่ในทีนน่นั้นๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามทรานจะหาประโยชน์ได้จากทั้งสามกรุงนาะทิกาไดว ในสามมณีรูปหนุนประปวัติเราฟังผู้หญิงร้องเพลงแล้วเกิดพอใจในตัวคนร้องในที่สุดก็ต้องสึกจากความเป็นสามนเณีไปไม่ได้คิดถึงเพลงไม่ได้คิดถึงเนื้อหาของเพลงแต่ไปเกิดติดใจในคนที่ร้องเพลงก็งมีการกำหนดหมายด้วยอำ น, นาจของสุภนิมิตรทว่าหนาในะปรารถ น, า, นาพอใจเสร็จแล้วก็ไปต้องสึก ก็ละพระมรระเพศเออกไปนี่เป็นเรื่องเดียวกันแต่คนฟังมีพื้นฐานจิตใจแตกต่างกันฟังล้อคนหนึ่งได้บรรลุมรรคผลคือไปกันคนละทาข้ันหลังให้กันคนหนึ่งก็ออกจากประทมไปในออกจากศาสนาไปด้วยภาพของเทวทูตเทวทูตที่สี่นะฮะคือสมณะ เหตุกรณสมณะนั้นเป็นภาพลักษณ์ของความสงบเป็นสันตกาโยคือกายกาสงบสันกาวโยคือวิ จ, วจาสงบสันตมนโนคือใจที่สงบถ่าจะสงบข่านได้มากขนาดไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจะต้องมีแรงกระแทกกระทันใจต่อชาติติตถาอยู่สูงเผิ่ความสงบเหล่านั้นแล้วเกิดความประทับใจ มองเห็นว่าเป็นวิถีชีวิต ท, ที่จะช่วยให้ตัวเองรอดจากความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นเทยวทุกทั้งสามประการที่กล่าวไวใ้ในขั้นตอนในสุขการเจตออกแอบพนุษของพระองค์ก็ถือแนวของสมณะโดยทรงเปล่งอุทานแต่การเห็นวิถีชีวิตแบบสมณะภาษาทุกโอบประจาย การบวชนี้ดีหนอะหรือการบวชนี้ดีนักแหละที่จึงดีไม่ดีท่านก็ไม่เคยบวชอ่ะจะรู้ได้ยังไงแล้วก็มองจากอาการที่ปรากฏของสบนะรูปนั้นทุนกคนต้องเห็นโทษในความเป็นกรวะด้วยที่เกี่ยวกับวุ่นวายด้วยอารมณ์ทด้ถ้ายยังไม่เห็นโทษก็มองบันประชาเป็นที่น่ากลัว คือแรกจะหาเรื่องคือเรื่องราเหล่านี้เราจะพบว่าเปความขัดแยง้งที่มุมเดียวกันแล้วก็มองกันไม่เข้าใจลูกชายต้องบวชต้องการจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมไม่บวชลูกสาวต้องการจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมไม่บวชบางคนพ่อแม่จะให้บวชแต่ว่าลูกไม่ยอมจะบวชคือบวชเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแต่มุมมองจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน คนบางคนนั้นตัดสินออกจากตัวเองคือคือว่าตัวเองมีแล้วเก่นแล้วพิเศษแล้วต้รลูกที่ดีต้องเป็ น, ปนอย่างที่ตัวเองเป็นถ้าไม่เป็นอย่างที่ตัวเองเป็นชื่อว่าไม่ ด, ดํารงสกุลตัวใช้ไม่ได้พวกไม่ได้ตอดยินไปสึดไปแล้วก็เข้าไปได้ไดแต่คนบางคนนั้นเขาเรียกว่าธรรมะทีปไตยจคือคือธรรมะความเหมาะความควรความถูกต้องความดีงามเป็นใหญ่ มองถึงประโยชน์ที่ลูกจะได้มองประโยชน์ที่สามีปัญญาจะได้ตอนเหล่านี้ก็จะสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่คนนั้นเป็นที่รักท้องรนพอใจต้องการที่จะได้ที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็มีตัวอย่างบุคคลอยู่ทุกฝ่ายเห็นอุบาสกวิสาขาอุบาสกเอาสมบัติมาให้ นางธรรมธิมนนาจึเป็นปัญญาล้งแกวตนบนรรลุมรรคผลเป็นพระอาคามีแล้วก็ไม่มีความความเกี่ยวข้องในเรื่องวัตถุกรมตั้งหลายกี้เลสกาเ ม, มื่อสงบไปแล้วนางธรรมทิมนนาขอออกบวชทางดิฉน ท, ที่จะรักทรัพย์สมบัติเท่านั้น ท, ทั้วกนีด้จะเห็นด้วาทรัพยสมบัตินั้นเป็นกรมกลุล ที่พระเจ้าทรงใช้คำว่านาคร่นน่าปรารถนาน่าพอใจได้ยินบาลีพระที่สวดอู่บอ่บอยๆเจอเรื่อยพระสูตรตัวนี้อิฐากันตามนาปาโรปาสตากันตารสาปตาุตตาโรเกปิยะรูปังสาตุปังรูปเสียงกลิน่นรสยินรสนั้นแข็งอารมณ์ที่น่าแคร่นน่าปรารถนาน่าพอใจคนระดับพรานาคามีกลับทิ้งไม่อะไรลยดี อันนั้นพอดจำเนานะครับเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสแล้วแต่คนอย่างพระธรรมทิฏนาหรืนางธรรมทิฏนาตอนนั้นยังไม่ได้บวชอ่ะก็เกิดรังเกียจขยะขยะที่จะรับที่จะเป็นเจ้าของครอบครองทรม ส, สมบัติเหล่านั้นพอประโยชน์โนวัติการเดี๋ยมันเกิดขึดนะ้นลักษณะขอความคิดเหล่านี้มันก็เหมือนเหมืนกันดังนั้น แบบพระโพธิสัตว์พวกคนจะเป็นพระ阿拉หังเจ้าปัญรุ่งมกุลก็คิดอย่างนั้นแหะแล้วก็คิดใล้ายๆกับที่สุมเมธดาบทคิดที่พระโพธิสัตว์ในสมัยพระพุทธเจ้าเราในสมัยที่เป็นสุมเมธโกธิสัตว์มันคิดถึงสมบัติที่สื บ, สบมาสามชั่วคนท่านเป็นลูกโทนในช่วงที่สี่พระโพนี้มีลูกโทนท่านั้น เพราะนมรดกมาเข้าเข้าสู่ทางเดียวคือมาสืงลูกทนท่านสุมเมตศดาบทนับมาจากรุ่นปู่รุ่นธุดรุ่นธุดรุ่นปู่รุ่นพ่อสะสมทรัพย์สม บ, บ, บ, บ, บัติมากมายมหาศาลได้เกิดแต่ท่านมองแล้วท่านมองว่าบรรพชนเหล่านั้นไม่ฉลาดที่เก็บรวบรวนทรัพย์สมบัติเหล่านี้เอาไว้ พระปตายก็ทิ้งไว้ให้เป็นภาระของบุคคลอื่นท่านมองเป็นภาระแต่นที่ท่านจะมองเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีพออกพอใจของบุคคลทั้งหลายนั้นมุมมองหรืเรียกประโยชนในสมนไติการนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมันมันตัวข้างนอกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอะไรอ่างแล้วตัวในคือใจใจเขคิดยังไงก็มองสิ่งต่านั้นแตกไกมองเพื่อลดกิเลสหรือมองเพื่อพิ่มกิเลส เมื่อดาบเถ้ามองเพื่อลถกี่เลสแต่ในขณะเดียวกันปูญย่าตายายเหล่านั้นควรจะได้รับผลอนิสง์จากท่าสมบัติที่ท่านสะสมไปด้วยเมื่อท่านไม่ทําเราก็ควรจะทําให้ท่านแล้วท่านเองก็ไม่ควรชจะไปยึดติดอยู่ในท่าสมบัติเหล่านั้นและควรได้รับประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลจากท่าสมบัติเหล่า น, นั้นเพราะงั้นก็นำท่าตรง น, นั้นไปบริยาม ถ้าเร า, าเก็์บนแนวความคิดนี้มันมานแล้วเกิดเ น, น่ถ้านับรตรอิศาสตร์รัฐศาสตร า, าตรกันพอมาถุงกระหมากระปะถ้าคิดอย่างนั้นนะทรัพย์ ส, บสมบัติมหาศาลสองสุดลุมรูปโทอนเหมือนกันเมียก็ลูกทอนผัวก็ลูกทษ ร, รับมรดกมารวมกันสองสายมากมายไม่รู้จะว่ายอย่างไรท่านมองมันลวนที่ถูกไฟไม้ต้องรีบหนี เป็นที่มาแห่งบาปโทษอะไรต่างๆแต่แลรพัดกึ้นแล้วแต่จะคิดนะแต่เก็คิดกันท่านได้ทั้งคู่ปันดาก็คิดได้สามีอก็คิดได้ในที่สุดก็ออกบนพระนานธรรมทินนาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือท่านคิดกันท่านได้ทา้ายก็นาเพราะสิงซส่งชาวโลกยิ่ยแย่ยอมตาย ปรากฏเก็ไปเจอเับคนที่เป็นอยูนิโสมณฑิการเข้ามาจริงๆไอตัวกลางๆนั่นเองท่านมองเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้แก่ท่านหรือพร้อมจะสร้างปัญหาแก่ท่านถ้าเกิดบทนา ย, ายทายกำลังสลัดความยึดติดพอใจติดใจในสิ่งเหล่านั้นออกไปแต่บางทีนันเป็นเรื่องผลของความชั่ว ที่ตามปกติแล้วคนเราเวลาเห็นคนที่กำลังประสบความเดือดร้อนเพราการกระทาชั่วของเขาไม่จะทำใจได้ง่ายๆนะหรือปัญหาว่าคนนั้นเป็นใครเนี่ยมนุษย์มันเริ่มจะกำหนดตรงนั้นก่อนว่าคนนั้นเป็นใครแต่ว่าประสบความชั่วด้วยกรรมนั้นเหมือนกันเห็นตุกคนค่าคนตาย เา ก, กำลังประสบผลกรรมเพราะการฆ่าคนตายเอลก็จึงคนเราไม่ได้กําหนดในแนวนั้นแต่กําหนดว่าเขาเป็นใครถ้าเขาเป็นญาติพี่น้องของเราก็จะเกิดความทุกข์ความโทมนัสเสีย อ, อกเสียใจร้องโ่มร้องไห้การดุประการต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเลยที่ไปทําอย่างนั้นเป็ลงโทษเขามากมายอย่างนั้นมันน่าจะอาไปโทษไปโชจคราวเดี๋ยวเขาทำาปมันก็จะแก้ต่างให้เสร็จ จะทำตัวเป็นทนายแค่ตาให้แต่พอดีเรื่องเดียวกันนั่นแหละคนนั้นเกิดเป็นกรตรูของเราที่เราอยากให้ประสบความพิบัติกันหานแล้ว ท, ท, ท, ท่านาจารย์นี่ก็เท่ากันแต่เรารู้สึกมันน้อยไปต้องการความมั่งความสะใจในอารมณ์การได้แก้แค้นการได้สมหวังเห็นสจูประสบความพิบัติเดือดร้อน ทีนี้คนบางทีเนี่ยเป็นกลางๆคนบางคนอาจจะเกิดสงสาคนบางคนอาจจะเกิดขึ้นสะใจอยากจะดูอยากจะสัมผัสแก ค, ความรุนแรงที่คนเหล่านั้นกะลังประสบนี่คือลักษณะพื้นฐานทางใจเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้นำเอาอความทุกข์ในนรกก็ดีในเปรตก็ดีมาแสดงไว้ในเป ร, สเปรตสังยุต เพื่อให้บุคคลได้ตระหนักถึงโทษบาปที่มนุษย์ได้กระทาเอาไว้แม้ในปัจจุบันผลบาปเหล่านั้นจะไม่ให้ผลแต่ผลบาปก็คือผลบาปมันเหมือนกับต้นไม้ที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไวไ้ในเมล็ดพืชรอการเวลาที้มาถึงข้าวมางก็ต้องออกป่าทั้งลาต้นทั้งกิง่งทั้งใบทั้งดอกทั้งผล จะต้องออกมาแน่ น, นอนแต่ตอนนั้นเราก็ไม่เห็นนะนะเราเห็ น, นเฉพาะเมล็ดพืชเท่า น, นั้นเองทุานอคูสุลที่มีอยู่ภายในใจคนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าคนมีโยนโสมนมัติกาเก็จะเข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายมันก็เป็นไปตามใจแทนที่จะไปอยู่ในสามกลุ่มอย่างที่ว่ามาแล้วนะฮะอยู่ในกลุ่มของความโศกซึ่งเป็นทุกขสัตว อยู่ในกลุ่มของความสะใจซึ่งเป็นสมุทัยสัตว์คือเป็นทางกิเลสอยู่ในกลุ่มของความสงสารแต่สงสารในที่นี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่กรุณามันมีลักษณะเป็นอคติก็กลายเป็นทุกข์สัตว์จิตมันก็วิ่งระว่างทุกข์สมุทัยแลเราสังเกตว่ามันอยู่ที่ทุกข์สมุทัย เออยู่ที่ทุกข์สมุทัยมันก็เป็นทุกข์พราทุกข์ก็คือทุกข์กกสมุทัยก็คือเกิดแห่งทุกข์เมื่อจิตไ ป, ปติดอยู่ตรงนั้นมันก็กลายเป็นทุกข์เท่านั้นเองแต่แม้แต่รู้จักสะใจรู้จักชื่นชมยินดีนะฮะที่ได้เห็นความเดืดร้อนการประสบความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นแก่บุคคลเท่าไร แลก็ความินจใจของเราให้ผิดปกติไปท่านใจที่อยู่ในลักษณะอย่างนั้นจึงกลายเป็นไม่ปลอดภัยด้วยกันดังนั้นในตามวิหาราวุธเจ้าจึงสอนไว้ที่อุเบขาอุเบคาที่จริงก็คืออาการของโยนิสุปนาสิกานั่นเองแต่ว่ามันมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยทั้งสาปตะจนทั้งหลายได้โปรดสังเกตรสและยินด้วยคำต่างๆเป็นอันมากที่ปรากฏในภาษาบาลีแต่ว่า การเรียกตามความเข้มข้นเฉยๆคือเรื่องเดียวกันนะจริงเดียวกันความเข้มข้นมันไม่เหมือนกันคล้ายกระพอกน้ำตาลน้ำพึ่งในกระบวนการน้ำตานะฮะตั้งแต่มาเป็นน้ำอ้อยมายแต่ละช่วงมันก็เรียกไม่เหมือนกันตั้งแตที่ก็มันแต่ว่ารูปรักษินสีอะไรต่างๆไม่เหมือนกันก็เรียกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆชื่อก็ถามมากมันก็มีลักษณะอย่างนั้นชื่องกิเลสมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือที่จริงแล้วมันไม่ได้มากมายขนาดนั้น เด่นแต่ว่าความเข้มข้นมันไม่เหมือนกันจันทร์ก็เรียกชื่อให้เราเห็นอาการของความเข้มข้นอย่างปัญญาก็มีเรียกไป น, นันมากบุเบขาเองก็เป็นปัญญานะเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพีนิพพิจนามองดู ก, กรรมและผลของกรรมซึ่งมาเป็นกระบวนการของกรรมที่แกก็ตามทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็ต้องไปพูผลของกรรมนั้น เขได้รับความสุขก็พระกรรมของเขาก็รับความทุกข์ก็พระกรรมของเขาไว้ยินดีน ย, นยินรยอะไรไปมันก็เท่านั้นแต่ในที่นี้ท่านเน้นที่ไม่ยินรายนะคเพราะว่าถ้าเขาประสบความเจริญเรามีมุติตายแล้วแต่เขาประสบความเสื่อมเราใช้ยันต์อยู่ไม่ได้เราก็ใช้อุดเบกขาเป็นอาการของโยนิโสมนฉิการแต่ว่าความเข้มข้นเขาสูง ในลักษณะคุ้มครองตัวเองได้เกิดขึ้นมาแล้วคุ้มครองตัวเองได้เพราะความว่าปริมาณของปัญญานั้นได้เกิดทัพทวีขึ้นกลายเป็นแสงส่องใจให้บุคคลเหล่านั้นได้รู้เห็นเรื่องความจริงของชีวิตในลักษณะนั้นเพื่อการศึกษาธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมในกลุ่มเหล่านี้ปัญหาว่าดูอาการที่ปรากฏของธรรมะในขณะนั้น เป็นกุศลเป็นอกุศลที่เป็นกลา ง, ลางถ้าเป็นอกุศลต้องมองเห็นโทษแล้วก็เพียรพยายามลดละถ้าเป็นกุศลละธรรมหรือความดีก็มองเห็นคุณค่าของความดีเหล่านั้นแล้วก็เพียรพยายามประคับประคองรักษาจิตซึ่งถูกปรุงด้วยกุศลเหล่านั้นเอาไว้เป็นปัญญาเมื่ก็เป็นเรื่องของสภาวธรรม ที่ตกอยู่ในกฎของความแก่เจ็บตายเราก็งองให้เห็นความจริงตามใครลักแล้วก็จะสามารถหาประโยชน์จากอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้เมื่ออารมณ์มันจะดีไม่ดีหรือกลางกลางก็ได้พอผู้ปัญญาแล้วจะใช้ประโยชน์จากอารมณ์เหล่านั้นได้ด้วยกันทั้งหมดต่อจากนี้ไปเราขอให้ตั้งใจ